ไม่ค่อยเจอคนที่ยิ้มย้มแจ่มใสใบหน้าเลร่งเคลียดเอาจริงก็จังมันเป็นง่าจริงนะตั้งแต่เริ่มก้าวย่างประตูเข้ามาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีความสุขนอกจากจะพยายามช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยบางทีก็พยายามช่วยตัวเองเหมือนกันนะแต่ยังช่วยไม่ถูกที่ดูแล้วไม่น่ารื่นรมผมเองก็เคยไปรับบริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ไปอยู่นานเมื่อกันแลไปอยู่เกิดความผูกพันระหว่างเจ้าหน้าที่เวลาจะกลับเขาก็บอกว่าว่างๆก็มาเยี่ยมใหม่นะ <c oughs> <c oughs> ของคิดในใจว่า <c oughs> อยาได้เจอได้เจอเลยคนที่ช่วยเหลือเราได้ดีแต่ว่าสถานที่นี้มันไม่เหมาะไม่น่าลื่นลมเลย <c oughs> แล้วยิ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนด้วยแล้วมันละดูไม่ค่อยสดชื่น <c oughs> ดูแล้วไม่น่าชื่นใจไม่น่าลื่นลม แต่มี ส, สิ่งหนึ่งที่แง่คิดที่ว่าของที่มีคุณค่าเนี่ยมักจะซ่อนเล่นอยู่ในของที่ไร้ค่าถ้าเกิดโดยดีสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมักอยู่ในสิ่งที่ไร้ค่าถ้าเราลุกจักมองอย่างคนที่เข้ามาใช้บริการที่นี่แต่ละคนเนี่ยมีทุกประเภททุกวัยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายมีน้ําตา ร้องไห้เพราะเกิดจากความพลาดลาดจากกันและมีทั้งคนพิการภิสษุสองนักบวชเข้ามาใช้บริการกันมากมายสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักมองนะจะเห็นว่านั่นหละคือเทวทูตเทวทูตเนี่ยทหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนเราให้เราระลึกถึงว่าคติธรรมดาของชีวิตคนเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เข้ามาแจ้งข่าวเราเราเอง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 บาลุธรรมเป็นองค์สมเดจ็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ถ้ารู้จับมองจะได้ประโยชน์มากถ้าเรามองว่าโรงพยาบาลเนี่ยคือโรงทําบุญคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาญนะอราชีคือโรงพหาบลอราือหน้พาที่ที่ชรวยลดือาควยามทกลกขลคปัญหาบาลกบผล้อาื่นเงนพยอยาบาลอพาบาือนพบุญคยบาลคอาบารงพาบาลคือโงาบาลองาบาลอพาบาพบองาบอยาอาพ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 วางจิตวางใจใถูกต้องกับการทํางานวางใจอย่างไรที่จะทํางานให้มีความสุขถ้าวางถูกต้องเนี่ยมันมีกําลังใจนะมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานอย่างน้อยเราต้องเป็นคนที่รู้จักพอใจในงานที่เราทํารักงานที่เราทำํำอะไรก็ตามถ้าเราไม่พอใจเราไม่รักเนี่ยเราจะทงานสิ่งนั้นด้วยไม่มีชีวิตชีวา เรารักแล้วก็พอใจเนี่ยมันจะกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาที่จะทํางานมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของงานที่เราทำเนี่ยมองให้เห็นประโยชน์เมื่อไหร่เราก็เราจะเกิดการรักงานเรารักใครสักคนหนึ่งถ้าเรามองเห็นคุณค่าของเขาเนี่ยเราก็จะไม่รักเขาเลยมองให้เห็นคุณค่าของเขาเราจะรักเขามากยิ่งขึ้นแม้เขาอาจจะไม่หล่ออาจจะไม่สวยก็ได้มองเห็นคุณค่า อย่างน้อยงานที่เราทำเนีย่ยมันก็เป็นงานส่วนรวมงานช่วยเหลือส่วนรวมไม่ใช่งานส่วนตัวแต่ผลพลอยได้เนี่ยได้ทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวด้วยละมองในแง่นี้เนี่ยเราจะเกิดกําลังใจมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานทํางานแบบไม่เบื่อไม่เต็งต้องรู้จักมองนี่เดียวเนะราพิจิตที่เดียวนั่นเองอะ่ะเราจะได้ไประโยชนจากการทํางานแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่างหนึ่งว่า แม้ว่าสิ่งนั้นเรารักเราชอบสักวันหนึ่งมันก็ต้องเบื่อถ้าเป็นงานที่ซ้ำๆ ซ, ซักๆถู ก, กไหอะไรก็ตามที่มันซ้ำจะเกิดความเบื่จินมันต้องเบื่ออันนี้เป็นธรรมดานะคนที่เรารักเจอกันบ่อยเห็นกันบ่อ ย, ใ ห, อยใหม่ๆก็ชื่นชมแนตะ่ละก็กชักเบื่อน่าเห็นกันทั้งวันมันก็เบื่อใช่เพลงที่เราชอบฟังคาพูดไพเราะสนุ๊ก ถ้าได้ยินซ้ำๆกันทุกวันเนี่ยเราก็ไม่อยากฟังเราเพลงให้การพูดแบบนี้เราก็เบื่อแม้แต่อาหารลองดูเถอะใครชอบอาหารแบบไหนที่สุดถ้าเราทานทุกวันทุกวันนะเราก็ไม่เอาแล้วมันก็เบื่อแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะมันรักแล้วมันก็เบื่อง่ายมันเลยเลียงไม่ได้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 ในสมัยเนี้ขนาดคนขยันทำงานนะก็ยังทำงานจนบรรลุผลน้ำเด็จตกงานเขามีขยันทำงานก็ตกงานเ<ม>ชื่อไหมเ <iot> พราะว่างานบางแห่งเนี่ยเขาต้องลดการผลิตลดจำนวนของบุคลากรซึ่งเขาก็ไม่อยากทำอย่างานั้นแต่มันก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วบริษัทมันก็อยู่ไม่ได้จึงต้องลดการทำงาน อย่างบริษัทมินิแบร์เนี่ยไปพูดเมื่ อ, เ, อ, อเดือนที่แล้วเนี่ยบริษัทมินิแบร์นะผลิตลูกปืนแบริร่งส่งออกนอกไดยเฉพาะเลยของบริษัทของญี่ปุ่นต้องลดการผลิต 70% อร์ซแล้วคนงานส0ม0มื่นคนเนี่ยโอ้ฝันกำลังใจของคนงานเนี่ยท้อแท้มากเจ้าของบริษัทให้พนักงานลาออกให้ลาออก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 เมืองไทยเรามีปัญหาเรื่องตกงานเยอะมากเลยตกงานเยอะมากถึงไม่ลาออกก็ต้องถูกให้ออกเนี่ยเป็นทุกข์มากบางคนเกิดความซึมเศร้าวิตกกังวล น, นอนไม่หลับเพราะไม่มีงานทำเนีบางประเทศเนี่ยฆ่าตัวตายเลยอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยมที่ชมรมมาคุยก็ถามว่า คนญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องตกงานแล้วก็ฆ่าตัวตายประเทศที่เป็นมหาเศรษฐกิจสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าชาวรนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีงานทําก็น่าเห็นใจนะเพราะนั้นเบื่องานนะยังดีกว่าเบื่อเพราะไม่มีงานมันทำให้เราเครียดมากขึ่นอย่างน้อยทุกวันนี้ที่เราได้มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยก็เพราะว่า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 ก็เจ้าที่พนัก ง, งานเนี่ยนั่งน้อยกอตกฟุบ ก, ก, กับโต๊ะไม่มีลูกค้าลูกค้าไม่กล้ยมานั่งเงาเซง็งพอพวกเราเข้าไปซื้อของเนี่ยโอ้ดีใจมาแล้วเรายินดีตอนรับโอ้เอาอบเอาใจมากเลยนะเขากระหายกระหายเพื่อนกระหายลูกค้าแต่งานคลังนี้ไม่ต้องกระหายไม่ต้องไปหาเขาเขาก็มาให้เราเองได้เพื่อน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 อย่าไปรอโอกาส <ت. ถ้ารอโอกาสว่าเมื่อนู้นเมื่อนี้แล้วก็บางทีมัหมดโอกาสเราช่วยโอกาสปฏิบัติธรรมในขณะทํา ง, งานได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้นี่แหละเอาที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นวัดเลยเป็นโรงพยาบาลศริราชวราลามเลยก็ได้ <ت. ไปที่ปฏิบัติธรรมไปในตัวได้เลยนะเพียงแต่เราใส่ใจมีสติ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 โดยเพราะจะรู้จักใจตัวเองจะรู้จักใจตัวเองว่าใจเราเป็นยังไรรู้จักอุปนิสัยใจคอของเราเราเป็นคนที่รักง่ายหรือเปล่าขี้โกรธหรือไม่หรือเราเป็นคนที่ขี้ลืมบ่อยๆหรือเป็นคนน้อยใจหรือเป็นคนอิจฉาเสียยาสติเนี่ยมันจะรู้ทันจิตใจเราหมดเลยหรือเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆเป็นคนเจ้าทุกข์กังวล มองโรคในแง่ร้ายเสมอเสมอหรือเรามองโรคในแง่ดีสตินี่จะรู้ทันนะจะรู้จักอุปนิสัยใจของเราเลยยิ่งฝึกเป็นนานจะเข้าใจถึงว่าอ๋อจิตคนเรานี่มันไม่แน่นอนนะเดี๋ยวมันก็รักได้มันก็โกรธได้มันก็พอใจหรือไม่พอใจจะเห็นจิตนี่มันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะมาคับบัญชามันได้แต่รู้เท่าทันมันได้เห็นตรงนี้เนี่ยจิตมันหลุดพ้นเลยนะ พ้นจากความทุกข์จะเกิดจากการปรุงแต่งทั้งหมดเลยจิตยอยู่เหนือการปรุงแต่งของความคิดเป็นจิตที่บริสุทธิ์สามารถคิดได้โดยที่ไม่มีอคติไม่มีความรักไม่มีความชังจิตที่เป็นปกติจะแก้ปัญหาได้ดีมากจิตที่เศร้าหมองแก้ปัญหาไม่ดีจิตที่ดีใจเกินไปก็แก้ปัญหาไม่ดีมันขาดความเป็นปกติไปถ้าเห็นตัวเองบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจตัวเองว่าอ๋อตัวเราเนี่ย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 คนมีความสุขเนี่นคือคนมีบุญคนไม่มีความสุขหรือคนไม่มีบุญบุญไปชื่อความสุขเพราะั้ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องทำบุญมากๆทำบ่อยๆทำสม่าเสมอรับรองไม่มีการขาดทุนถ้ารู้จักทาบุญแต่เรามักจะมองว่าบุญเนี่ยคือการให้ทานเอาของให้คนอื่นหรือเอาของเอาอาหารไปถวายพระที่วัด หรืไปทำสังฆทานนั่นจึงเรียกว่าบุญอันนั้นเรามองบุญแบบแคบจนเกินไปบุญมีมากกว่านั้นอันนั้นเพียงแค่ทานเท่านั้นคือการให้การรักษาศีรนี้ก็เป็นบุญการเจริญภาวนาการมีสตินี้ก็เป็นบุญการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นบุญการขนขวายในกิจการของพุทธศาสนานี่ก็เป็นบุญอย่างพวกเราที่นั่งฟังเนี่ยใช่ไหม ฟังเรื่องธรรมะเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมการสนทนาธรรมนี่เป็นบุญทั้งนั้นการทําความเห็นให้ถูกต้องกับหลักธรรมนี่ก็เป็นบุญบุญมีมากมายเรามาักจะมองบุญแคบๆบาแบบคือการเอาของไปถวายพระหรือให้เงินกับคนขอทานอันนั้นเพียงแค่ทานเท่านั้นเป็นบุญส่วนหนึ่งเพียงแค่ทานเท่านั้นบุญมันกว้างขวา่าเพราะฉะนั้นถาาว่าเราทํางานมาก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 แล้วก็ใส่ซ d ดีทำงานในชมรมเนี่ยร้วนแต่เป็นงานที่มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยเกือบทั้งนั้นเลยแล้วช่วยแล้วไม่รับสิ่งตอบแทนขถือว่านี้เป็นงานบุญแล้วเาก็มีความสุขกับการทำงานทำอย่างสดชื่นยิงย้มจะจ่และเต็มใจทำเวลามีใครมาติดต่อโทรศัพท์กำลังทางข้าวเนี่ยวางวา ง, วางเก่าข้าวเลยหยิบโทรศัพท์มาโทรก่อนกำลังแท้กโ็โพดสวิตอยู่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 ทุกทุกท่านมาพูดให้แง่คิดให้กำลังใจในเรื่องของการทำงานอย่างมีความสุขเพราว่าไปแล้วเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันที่3เมษายนวันที่3เมษายนเนี่ยเป็นวันที่มีความหมายมากมันเป็นวันที่ครบรอบชีวิตที่อุบัติเหตุของผมชีวิตพิการของผมเนี่ย30ปีครบรอบวั น, นเนี้ยเนี่ยเดี๋ยว6โมงเยนเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยผมจะไปฉลองฉลองวันเกิดไป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 เกิดมาแสนหานความสุขเนี่ยแมวก็คิดอย่างนั้นนะแต่เกิดมาเพื่อใช้กรรมอั น, นี่ยยังไม่ถูกต้องอย่าคิดว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมถ้าเรามีชีวิตเกิดมาแล้วต้องใช้หนี้เนี่ยโอ้มันจะมีความสุขไหมนะ เ, เราพูดบ่อยๆว่เาเกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่าไปคิดแบบนั้นแม้ว่าคนเราต้องเป็นไปตามกรรมแต่เราสามารถที่จะพัฒนากรรมให้มันดีขึ้นได้เราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมให้มันดี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 เกิดมาเพื่อไม่ต้องเกิดเกิดมาเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุก gue. ทุกคนเกิดมาเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุก gue. ไม่ต้องปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกไปเลยมันจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไงจึงเกิดมาเพื่อไม่เกิดเพราะคนเราที่เป็นทุกเนี่ยต้องใช้ยึดแบบปฏิบัติธรรมประโยตัวเองเพื่อไม่ให้ทุกเมื่อจิตมันไม่ทุกแล้วเนี่ยอเรื่องความสุขไม่ต้องพูดถึงหลอกมันมีความสุขอยู่ในตัวมีความเบิกบาน เกิดมาเพื่อทําที่สุดอกองทุกมันก็ในนิพพานก่อนจะตายด้วยซ้ำไปเกิดมาเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกเข้าใจไหมตรวนี้เห็นหน้างงๆอาจจะแตกต่างกับที่เราคิดนะไม่เป็นไรเราเอาไปพิจารณาดูก็ได้ะใช่ไม่มเราทําอะไรเพื่อความไม่ทุกข์ตรงนั้นอ่ะเด็กนี่ต่อไปก็มีคําถาม เ, า เ, เล็กๆน้อยๆจากน้องๆที่เขียนมานะครับอาจารย์ มีคำถามหนึ่งถามว่าเคยรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือไม่ตอนประสบอุบัติเหตุใหม่ๆและมีแนวคิดและกำลังใจอย่างไรตอนธรรมดาแล้วเราเวลาเกิดปัญหาเนี่ยแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะพาคนเกิดปัญหาปับ๊บอยากจะฆ่าตัวตายหนีปัญหาไปเลยและบางคนเกิดปัญหาปับ๊บเกิดการท้าทายอยากเอาชนะปัญหา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 ปัญหามันยังน้อยอยู่ยังพอจะเอาชนะได้แต่ต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ทําใจยากเหมือนกันนะทุกอย่างต้องผิดหวังหมดแต่ว่าไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเราเไม่ยงแต่คิดว่าอโลกนี้เนี่ยมันโหดร้ายทารุเหลือเกินมันไม่น่าอยู่นะมันโหดร้ายทารุเหลือเกินแต่ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายคิดว่าเราจะอยู่ อ, อางไรให้มันมีความสุขได้ตอนแรกก็รู้สึกท้อแท้นิดหน่อยแต่เมื่อเกิดการท้อแท้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 มันก็มีทางออกโดยการปฏิบัติธรรมจนป่านนี้เนี่ยเราเห็นว่าโอ้ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเราคงอาจจะฆ่าตัวตายไปก็ได้พอมองทางไหนเขาก็เดินได้พอมองเราเดินไม่ได้ทักทีแต่เดี๋ยวนี้เนี่เราพอใจในที่เรามีเราเป็นเราไม่อิจฉาใครที่เขาเดินได้แต่เราต้องสารเขาเขาต้องเดินเขาต้องทําอะไรหลายๆอย่างเรานั่งกินนอนกินสบายเลย ที่เหลือคือใช้แบบกําไรชีวิตเลยเนี่ยยิ่งมาทำหน้าที่เี้ยออกําไรมากเลยกําไรชีวิตกำไรทุกวันผมกําไรทุกวันอยู่ชมรมเนี่ยตัง้งแต่เช้าผมได้กําไรแล้วได้ทําหน้าที่คาถามเดียวเป็นเหนื่อยแล้วนะอมีอีกอาจารย์มีหลายคำถามขออาจารย์ตอบเป็นชั้นๆ<อ>แล้วกันจะทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่นําธรรมะมาดับปุ๊กของตนเองได้ครับผมโดยปกตินี่คนที่ กระดูกสีห่หักเนี่ยมันจะควบคุมและการหายใจลําบากมากหายใจลําบากหายใจได้ไม่เต็มลอยหายใจได้แค่ปากจมุกไม่ถึงันะพูดด้วยนักงหายใจด้วยเนี่ยมันเหมือนวิ่งไปพูดไปพวกเราก็มีการขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะอะไรช่วยช่วยให้ปอดมันได้ทํางานแต่ไม่เป็นไรนะถ้าทําหน้าที่เนี่ยถ้าขึ้นเวทีเนี่ก็ชกมาหยุดเหมือนกันแต่ลงเวทีแล้วไปหยางอยไปมองคุณดูไม่ได้เมื่อกี้ถามว่าเราจะทำอย่างไร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 เห็นประโยชน์ก็ทำมานี่มันต้องขยําปฏิบัติธรรมมีโอทในการปฏิบัติด้วยต้องเห็นประโยชน์และก็เห็นตัวอย่างตัวอย่างมันมีสองอย่างนะมีอย่างที่ดีกับไม่ดีอย่ามองอย่างที่ไม่ดีมองอย่างที่ดีบ้างตัวอย่างของที่ปฏิบัติธรรมเราเขามีความสุขชีวิตไม่มีปัญหาอย่าไปมองคนปฏิบัติเราเพี้ยนมองดูตัวอย่างเห็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วที่สำคัญก็คือเราต้องรู้ว่า เราเองนี่ก็สามารถทําได้เราสามารถที่จะปฏิบัติทําได้ในชีวิตประจำวันก็ทําได้ไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้ต้องเห็นประโยชน์เห็นตัวอย่างเห็นว่าเราเนี่ยทำได้แล้วก็หลักธรรมในการปฏิบัติเนี่มันสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้จริงเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวอย่างตั้งแต่พระรูตเจ้าสาวกต่างๆก็บารุษ ร, รมแล้วก็ทําประโยชน์ทั้งนั้นเลยแม้แม่บารุธรรมก็ยังทําประโยชน์ได้ เนี่ยคนพิการก็ยังทำได้เห็นประโยชน์ในด้านบวกต่อไปคือมองว่าเห็นทุกเห็นโทษของการที่ไม่ได้สนใจธรรมะเห็นโทษของมันเห็นไหมคนที่ไม่สนใจธรรมะเนี่ยเกิดปัญหาหน่อยหนึ่งก็เครียดเกิดปัญหาหน่อยหนึ่งก็งงงิดนิดหน่อยก็ฆ่าตัวตายอะไรแล้วก็ร้องไห้นั่นละเพราะจิตใจเขาไม่เข้มแข็งคนที่เวลามีชีวิตดีๆอยู่เนี่ยไม่สนใจธรรมะ แต่กมีการป่วยไข่เนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้คือช่วยใจตัวเองไม่ได้แม้จะมีหมอรักษาอย่างเก่งก็ตามแต่ช่วยใจตัวเองไม่ให้ทุกข์เนี่ยช่วยไม่ได้แต่ถ้ามีธรรมะเนี่ยช่วยได้คนที่มาที่ชมรมเนี่ยมาพูดคุยเนี่ยร้อนแด่ร่างกายเป็นปกติทั้งนั้นแต่ใจเขาไม่ปกติเขาเป็นทุกข์เพราะเขามีมากเกินไปเขารวยเกินไปเลี้ยใช้เงินยังไงให้มันมีความสุขหัวเงิน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 เมื่อกายป่วยใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้ถูกไหมร่างกายป่วยก็ให้หมอทําหน้าที่รักษาใจไม่มทุกข์ก็ได้วางใจวางหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรก็รักษากันไปเห็นโทษของการไม่สนใจทํามาเนี่ยเห็นประโยชน์ของการสนใจธรร ม, มาเนี่ยเราก็อยากจะปฏิบัติทําเองและสํานัญก็คือเราต้องเป็นตัวอย่างให้ดูอยากให้คนอื่นเขา ด, ดีต้องทําดีเขาดูเราให้เขาปฏิบัตรริทําแต่เรายังโกรธอยู่ เราต้อเป็นตัวอย่างเนี่สำคัญมากคำพูดจะร้อยคำพันคำไม่เท่ากับทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งครั้งขอบพระคุณอาจารย์มากครับเนี่ยที่ผมดูทั้งหมดคำถามเยอะมานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอาจารย์ได้พูดครอบคลุมออกไปหมดแล้วนะครับผมจะถามใป็นคำถามจุดท้ายที่มีผมดูแล้วว่ามันนั่นที่สุดนะครับก็ถามมาว่าถ้ามีความปุกมากๆเราจะหาวิธีดับปุ๊กที่ง่ายที่สุดได้อย่างไรเออ มารอตรงเนี้ยจะได้ต่อบสัที <c oughs> เรื่องวันี้เรื่องสบายมากเลยเอเรื่องทุกข์และแก้ทุกข์ในทับพันในไม่ยากอเลยเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างในมันเป็นของไม่เที่ยงทุกมันเที่ยงแท้ไหมทุกเคนเคยเป็นทุกมาไหมไอ้ทุกประก่อนที่น้ําตานองหน้าเดี๋ยวนี้มันมีไหมอันนั้นเป็นระยะยาวแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดความทุกข์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยจิตอย่าไปหมกมุ่น สังเกตว่าจิตเราหมกมุ่นกับความทุกข์ไม่น่าเลยไม่น่าทํากับเราเลยเราศาสตร์คิดปรุงแต่งมันก็ทุกซ้อนทุกข์ขึ้นใหญ่เลยหมกมุ่นแหวกไหวยอยู่ในกองทุกข์ใหญนั้นอนะ่ะมันออกไม่ได้แล้วพอรู้ว่ามันทุกข์ปั๊บเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนอย่ากี่อะไรไม่ออกลุกขึ้นไปเลยไปเปิดหน้าต่างไปดื่มน้ําไปเข้าของน้ําเปิดตู้เย็นแบบไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ซึ่งเราก็มักทําอยู่แล้วขอเปิดดูก่อนนะครับ อันนั้เป็นการเปลี่ยนยาบทนะพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยจิตมาเริ่มเปลี่ยนไปจับอารมณ์ใหม่มันแก้ได้ทันทีเลยอยานั่งจมอยู่กับความทุกข์เปลี่ยนยาบทก็ลุกได้อะก็ดีกับผมนะผมลุกไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุกข์ก็นอนเครียดอยู่งั้นแหละหาทางออกไม่ได้แต่ลุกได้เปลี่ยนยาบทเปลี่ยนก่อนเลยเปลี่ยนยาบทจอะยาบทของกายเปลี่ยนแล้วอียาบทของจิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนมุมมองใหม่ไปตั้งหลักใหม่ซะก่อนเมื่อมันคิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิด ไม่เอาก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนอย่าหมดทุกบางอย่างในไม่ต้องตัดติดปัญหาเดี๋ยวนั้นก็ได้อย่างเช่นเขามาทวงเงินอย่างเงี้ยเยังไม่มีเนี่เราก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะทํายังไงเลไม่เป็นไรหรอกต่อรองอยู่หลายวันก็ได้นะต้องไปจะแก้ปัญหาเปลี่ยนแก้ไขและทิมกันก็คือเราต้องคิดฝึกคิดในแง่ที่เป็นบวกไอ้ทุกแบบเนี่ยไม่ช้ามันก็หายไปเห็นไหม